ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฐมายาเมทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบ ก, ก่อนเข้านอนกับอภิชาโตพิคุวันนี้ก็อยากจะถามท่านฟังสักนิดหนึ่งว่าเวลาที่ท่านฟังมีความรู้สึ ก, กโกรธเนี่ยจะแก้ปัญหากับความกโกรธอันนี้ยังไง ก็อยากจะให้ลองนึกนึกดูว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีวิธีบริหารจัดการกับความโกรธ ย, <Blade> ยังไงบ้างแน่นอนว่ามันก็มีหลายๆวิธีนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเออโกรธก็ช่างมันแต่บางครั้งเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราบอกว่าช่างมันช่างมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำง่ายยิ่งเป็นตอนที่เรา โกรธแบบเยอะๆหนักๆแล้วเนี่ยบางทีการที่เราจะติดเบรคคำว่าช่างมันเนี่ยโอ้ยมันยากพอสมควรแหละสำหรับบางคนที่หัดมาเจริญภาวนามาทางสายธรรมะระดับหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีความคิดว่าเออเราเวลาเราโกรธเนี่ยเราก็แผ่เมตตาก็ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะใช้ในการที่เราจะบริหารจัดการความโกรธได้แต่ถ้าเราได้ลองตอบคําถามอันเนี้ยจากชีวิตจริงแล้วเนี่ยการแผ่เมตตาตอนที่เราโกรธอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ทําง่ายนะแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าโกรธมันหายไปได้อย่างง่ายดาย เราก็อาจจะรู้สึกว่าเออได้ติดเบรกแล้ติดเบรกว่าเออยิ้มไม่โกรธนะพยายามเออขอให้เขาเป็นสุขขอให้เขาเป็นสุขเราจะไม่โกรธเขาขออย่าบิดปิ้นกันเงนี้ยแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ความโกรธเนี่ยมันหายไปได้อย่างทันทีทันใดหรอกซึ่งมันก็เป็นวิธีบริหารจัดการอีกแบบหนึงนั่นแหละ ถึงมันจะไม่หายไปในแบบทันทีทันใดแต่มันก็ได้ติดเบรกแล้วก็ได้ระงับแล้วก็ได้ลดทอนความโกรธของใหม่ๆที่มันจะเฟื่องฟูขึ้นวันนี้ก็อยากจะมานำเสนออีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็ได้นาเสนอไว้ถ้าพูดให้มันดูเป็นทางการสัหน่อยเนี่ยก็เป็น พระบาลีที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าอโกเทนะจิเนเอกโอทังถ้าจะแปลภาษาไทยให้ ร, บรวบรวหน่อยก็คือชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธแต่ถ้าเกิดพูดให้ดูสลัดสะรวยขึ้นอีกหน่อยหนึ่งท่านใช้คำว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธสังเกตคำว่าพึงนะ พึงเนี่ยมันก็หมายความว่ามันไม่ใช่เฉพาะแค่วิธีนี้วิธีเดียวแสดงว่ามันก็มีหลายๆวิธีนั่นแหละแต่ น, นี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราจะเอามาใช้บริหารจัดการความโกรธได้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้ควาว่าพึงพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธทีนี้พอเราได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ย บางคนก็จะตีความไปหลายอย่างนั่นแหละอย่างเช่นพึงชนะความโกรธ ด, ด้วยแล้วแผ่ไม่ตาเนี่ยบางคนก็อาจจะตีตีความเอาไว้ว่าเป็นการชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธแต่ถ้าเกิดว่าเราลึกซึ้งละเอียดละอลงไปในจิตใจเรามีสติคอยหมั่นดูจิตใจเรามีสติคอยหมั่น เห็นกายเห็นใจมีความสงบอยู่เนืองๆ อ, อยู่ได้บ่อยๆเนี่ยเราจะค่อยๆละเอียดละออกับวิธีการของใจเราก็จะละเอียดละออกับสภาวะธรรมในใจมากขึ้นแล้วเราก็จะสรุปได้ว่าไอพุทธพจน์ที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าพึงชนะความกโกรธ ด, ด้วยความไม่กโกรธเนี่ยมันไม่ใช่ เกี่ยวกับการแผ่เมตตานะหรือการอุเบกขานะคนละตัวกันเป็นคนละแบบกันนะซึ่งไอความโกรธกับความไม่โกรธเนี่ยอันนี้มันตรงข้ามกันทีเดียวเลยอย่างคาว่าโกรธกับเมตตาเนี่ยมันก็อาจจะดูแค่เป็นคนละฝั่งคนละฝั่งแต่อันนี้มันเป็นนิสกติกันเลย คืออันนี้แล้วก็เป็นนิเกติก็คือหน้ามือหลังมือแตอ่นนั้นมันโกรธกับเมตตาเนี่ยมันเป็นแค่ของคนละชนิดกันแต่มันแก้กันทีนี้ความไม่โกรธเนี่ยถ้าจะอธิบายก็ก็คือความตรงกันข้ามกับความโกรธนั่นแหละก็คือความที่โกรธไม่มี พอพูดอย่างนี้ฟังแล้วก็เริ่มเริ่มจะดูยุ่งยากนิดหนึ่งจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับสว่างเหมือนไฟอะที่มันสว่างแล้วมันก็ดับไปมันตรงข้ามกันนะมีกับไม่มีของมีกับของไม่มีนะมันก็มีคําถามนะว่าเราจะชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเนี่ยเราต้องทํำยังไงอย่างแรกที่จะต้องทําก็คือเราจะต้อง ฝึกความไม่โกรธเอาไว้ก่อนตุนความไม่โกรธเอาไว้ก่อนการที่เราจะตุนความไม่โกรธเอาไว้เนี่ยมันก็มีบนพื้นฐานมาจากสตินี่แหละสติที่เราเห็นโทษของการที่ใจของเราเนี่ยมีความโกรธเกิดขึ้นใจของเราได้รับความเร่าร้อนได้รับความรุ่มร้อนจากความโกรธที่ มันเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วเราก็เห็นโทษเห็นสภาวะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแบบนี้อะแล้วคนโกรธเนี่ยเขาไม่เห็นว่าสภาวะของใจอย่างนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมถ้าท่านฟังลองนึกสภาพคนโกรธหรือตอนที่ท่านไปฟังเนี่ยมีความขัดเคืองขุ่นเคือง เกิดขึ้นอยู่ในใจอาอยุตัวอย่างเหมือนกับว่าเราถูกคนเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะสวนกลับแล้วเราก็ว่าเขาด่าเขาสวนกันไปสวนกันมาการนี่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันชี้เห็นได้ ว, ว่าเรายินดีในอารมณ์ของความโกรธอยู่นะในะขณะที่เรากาลังสวนเขาไปเนี่ย เรายินดีในความกโกรธเรายินดีให้ความโกรธเนี่ยมันชักจูงใจเราไปชักจูงใจให้ไปคิดคำดา่าตอบกลับไปแล้วเราก็ยินดีที่เราได้ด่าเขาไปพอยินดีที่ด่าเขาไปได้เจ็บเจ็บแสบแส บ, แสบแล้วเนี่ยเราก็ยังยินดีในความโกรธในใจนั้นอยู่แล้วเราก็ผลิตคำดา่าอันเนื่องด้วยความโกรธอ น, นั้นเนี่ย จูงใจให้ไปคิดคำด่ามาแล้วเราก็พูดง่ายโดนความโกรธอันเนี้ยมันครอบงำใจให้คิดให้ทําให้พูดในแบบที่มันอยากจะให้เป็นซึ่งสภาวะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่สภาวะที่ใจของเราเนี่ยเห็นโทษว่าความโกรธไม่ดีแต่ยินดี ในสภาวะความโกรธอันนั้นแล้วก็พยายามจะแก้ความโกรธอันนั้นด้วยอํานาจความโกรธอันนั้นอาจจะดูงงๆสนั น, นิดนึงนะแต่คนที่มีสติคอยเห็นกายเห็นใจอยู่บ่อยๆเขาก็จะเห็นสภาวะความโกรธเนี่ยได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าของการที่ใจเนี่ย ไม่มีความขุนเคืองไม่มีความเร่าร้อนอันเรื่องมาจากความโกรธอันนั้นอยู่แล้วถ้ามันมีขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยความไม่ดีเกิดขึ้นแล้วนะความสุขกโปรกเกิดขึ้นอยู่ในใจแล้วนะเปรบเหมือนผ้าเนี่ยผ้าที่เราสะอาดดีแล้วเนี่ยแล้วมันเปื้อมันเปื้อนเนี่ยเราก็อยากจะไปทำความสะอาดมันฉันได้ฉันนั้นเล่าให้ฟัง เวลาที่เราคอยหมั่นรักษาใจให้มีคุณภาพที่ดีอยู่ได้ต่อเนื่องหนึ่งเนืองไม่ว่าทำอะไรเราก็พยายามรักษาใจให้ปราศจากโลภะโทสะโมหะระคะอยู่ได้หนึ่งเนืองใจก็จะผ่องใสใจก็จะเยือกเย็นใจก็จะเป็นใจที่มีคุณภาพดีอยู่ได้เรื่อยๆตลอดตลอดแต่พอมันมีเหตุที่มันจะทำให้ใจคุณภาพดีอันนี้เปลี่ยนไปเป็นคุณภาพไม่ดี ความเร่าร้อนจากความโกรธเป็นต้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราจะไม่ยอมให้ใจของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นใจที่มีคุณภาพเร่าร้อนขุ่นมัวเป็นใจที่ไม่ดีไอ้นี่แหละเป็นพื้นฐานของคำว่าไม่โกรธตั้งใจดีดนะเวลาที่ มีความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกาอารมนั้ไม่ดีใช่ไหมแล้วเราก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยสภาวะอันนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าความไม่โกรธ น, นะเพราะความไม่โกรธอันนี้เนี่ยเราต้องบันซ้อมบ่อยๆนะบันซ้อมบ่อยๆคือพูดง่ายเราติดเซ็นเซอร์ไว้อันหนึ่งเซ็นเซอร์ที่ว่าเวลามีโกรธขึ้นมาปุ๊บ เราจะรู้สึกว่ามันเป็นของไม่ดีเป็นของน่ารังเกียจเป็นของน่าขยาขยะแขยงของใจเราเป็นสภาวะของใจที่มันไม่ดีเราจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโกรธความเร่าร้อนที่มันขึ้นมาอยู่ในใจของเราประเด็นอยู่ตรงนี้นะคือเรามีเซนเซอร์ที่เราจะไม่ปล่อยให้ใจเราโดนความโกรธมันชักจูงครอบงนไปอันนี้เรียกสภาวะอ น, นิวา ความไม่โกรธคือสภาวะที่ใจมันเห็นโทษของความโกรธนั่นแหละแล้วเราก็หมั่นซ้อมตัวนี้บ่อยๆหมั่นซ้อมหมั่นซ้อมบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนสติของเราเนี่ยมันแข็งแรงสติว่องไวสติเท่าทันสภาวะของใจรู้ว่ามีความขัดเคืองเกิดขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้น แต่ความโกรธเนี่ยมันก็มาจากความขัดเคืองนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยโดนความขัดเคืองแล้วปล่อยความขัดเคืองให้มันโตขึ้นจนกลายเป็นความโกรธแต่เราจะเท่าทันความขัดเคืองขุ่นเคืองในใจแม้เล็กน้อยหรือสภาวะที่ใจมันกระเพื่อมออกไปจากสภาวะความสงบความเยือกเย็ยนความห่องใส พอเร า, เาดูรู้ทันใจเราบ่อยๆอย่างนี้ปุ๊บเวลาที่มีเรื่องมันไม่ได้ดั่งใจมีเรื่องที่มันกระทบกระเทือนใจเซนเซอร์ตัวนี้มันจะทำงานละเพราะว่าความไม่ได้ดั่งใจความขัดเคืองใจมันก็จะพัฒนาไปเป็นความโกรธได้ใช่ไหมพอเซนเซอร์มันตรวจจับความกระทบกระเทือนจิตใจขึ้นมานิดหนึ่งปึ้งเราก็มีสติ ขึ้นมาทันทีแล้วก็พัฒนาไอความไม่โกรดตัวเนี้ยพัฒนามันยังไงอันนี้ก็แล้วแต่แลลนะอาจจะช่างมันคือปล่อยวางไปหรือถ้ามันยังช่างมันไม่ได้เราก็มีขันติคือความอดทนอดกลั้นต่อไปหรือเราก็อาจจะหาเหตุผลพินิจพิ จ, จรารณาเอายกตัวอย่างเช่นวันนี้ไปเดิน ช้อปปิ้งกับเพื่อนอเงี้ยแล้วเราก็เจอของที่อ๊เราอยากได้แต่เพอรอินเพอรอนเงินไม่พอขอยืมเงินเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีให้เราก็รู้สึกขัดเคืองใจขึ้นมาทีนี้ถ้าเราปล่อยให้ความขัดเคืองใจอันนี้นะมันครอมบงำจิตใจเราใช่ไหมมันก็จะเริ่มคิดแหละว่าไอ้จริงๆแล้วมันมีนะไอ้นี่เรารู้ว่ามันมี ทำไมไม่ให้เราเอ้ยทำไมไม่ให้เรามันไม่อื้อเฟื้อเรานี่หว่าทําไมมันทํากับเราอย่างนี้อ่ามันก็จะไปแหละค่อยๆไปแล้วหาเหตุผลมาซ้ําเติมตอกย้ําจิตใจตัวเองให้จิตใจเราเร่าร้อนขุนมือแล้วเราก็โกรธเพื่อนเราโกรธแล้วก็คิดคิดแล้วก็โกรธอีกโกรธแล้วก็คิดคิดแล้วก็โกรธซ้ําไปซ้ํามาทวีคูณเข้าไปแต่การที่เรามีสติค่อยเห็นว่าอฮ้ยพอเราอยากได้แล้วเพื่อนเราไม่มีให้ห น, นะ เราก็มีสติจับจับทันเลยนะเรากอ็อาจจะแบบช่างมันไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ถ้ามันยังอยากซื้ออยู่เราก็ต้องคุยกับตัวเองนะเฮ้ยมันจาเป็นต้องซื้อไหมพูดง่ายๆคือความที่มีความถูกต้องมีความมีเหตุผลเนี่ยมันจะเริ่มมาเป็นกระบวนการในการจัดการ ที่ทำให้ใจเราเนี่ยสงบระงับลงไปได้อย่างการที่เราถามว่ามันจาเป็นไหมอ่าหนึ่งละแล้ ว, ลวจำเป็นต้องซื้อเวลานี้หรือเปล่าหรือถ้ามันยังจำเป็นต้องใช้แล้วเรารออีกหน่อยได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ความถูกต้องเนี่ยมันจะมีกำลังมากขึ้นไอ้ความถูกต้องเนี่ยแหละมันจะทาให้ไอ้ความ ต้องการความถูกใจอำนาจของความถูกใจเนี่ยมันจะโดนบั่นทอนลงไปพูด ง, ง่ายอำนาจของความอยากในใจของเรามันจะโดนบันนบ่นทอนลงไปบั่นทอนลงไปจนเราจะมีเหตุผลที่มันมีอำนาจเหนือความความอยากในใจแล้วเราก็จะค่อย ค, อยคอยลดทอนลดอำนาจของความขัดเคืองที่ใจของเราเนี่ยลดลงไปลดลงไป จนสุดท้ายอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องถามก็คือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันไปเป็นอย่างอื่นซะถ้าเรายังไม่มีสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยกิเลสมันก็จะไงดึงสติเรากลับไปคิดอีกละคิดเรื่องเกา่าคิดทำไมเขาไม่ให้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหากิจกรรมใหม่ๆที่จะพละ ใจของเราออกไปจากวังวนเดิมๆอันนี้ด้วยอย่างเช่น เ, เราอยากจะได้อันนี้เพื่อนไม่ให้งั้นเราก็ไปกับบ้านหรือหากิจกรรมอีกคือแวะไปฟิตเนสเป็นต้อนอะไรงนี้นะมันก็มีกิจกรรมที่ทำให้เราพละออกจากไอความอยากอันนี้ของเราออกไปได้และแน่นอนความโกรธความขัดเคือง มันก็จะหายไปแน่นอนเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันมีการกินอารมณ์เนี่ยทีละอย่างเท่านั้นแหละทีละอารมณ์เท่านั้นแหละพอเรามีกิจกรรมใหม่เข้ามาแทรกแล้วเนี่ยแล้วมันผูกใจของเราเอาไว้กับกิจกรรมอันใหม่ๆ่อันนี้มันก็ไม่กลับไปในเรื่องที่เราขัดเคืองเมื่อสักครู่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ มีสถานการณ์ที่มันทำให้ยากง่ายไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้ง่ายๆเนี่ยเราก็หัดซ้อมมาไว้ซ้อมมาไว้เรื่อยๆเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้เป็นกำลังให้เวลาที่เราไปเจอเรื่องที่มันจะทำให้เราโกรธขัดเคืองมากๆเนี่ยเราจะได้มีกำลังสติที่มันเท่าทันรู้ทันแล้วไอความไม่โกรธตัวเนี้ยที่เราสั่งสมมาเนี่ยจะได้นำมาใช้ เพื่อที่จะไม่ให้ใจของเราเนี่ยตกไปเป็นทา่าของความโกรธไม่ให้ใจของเราเนี่ยไปดดนความโกรธผู้ยิบผู้ยำเร่าร้อนขุนมัวเราก็จะรักษาสภาพของใจของเราเนี่ยให้เป็นใจที่มีคุณภาพดีเป็นจิตใจที่ปราศจากโลภะโทสะโมหระรักะเป็นจิตใจที่เยือกเย็นผ่องใสสงบระงับอยู่ได้ ่นตอนที่จะจากกันนี้ก็อยากจะฝาก subscribe ช่อง Easy Drama นี้ด้วยถ้าเห็นว่าเป็นรายการที่ดีตอนไหนที่ดีก็ฝากแชร์เพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคนรอบข้างหรือบุคคลที่ ร, รู้จักให้เขาได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงวิธีที่จะมาพัฒนาความสุขแล้วก็ลดทอนความทุกข์ต่อไป สำหรับวันนี้จเจริญพร